ปฏิบัติธรรมธรรมก็คือธรรมชาติของจิตนะธรรมชาติที่ไม่มีการปรุงแต่งไรการปรุงแต่งไรการประกอบคือมันไม่มีสภาวะอะไรที่มันไปปรุงแต่งมาได้นะธรรมชาติที่บริสรุทธิ์สะอาดล้วนๆนั่นก็เรียกวณิพานธะ์แล้วมันเป็นสภาวะธรรมที่มันไม่มีปัญหาอะไรทั้งสินนะ้นกับชีวิตเนี่ยที่ถ้าเราจะปฏิบัติ เข้าไปสู่ประตูหรือทางไปหรือเข้าไปสู่เป้าหมายคือนิพพานได้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องทำความสะอาดหรือว่าทำลายมารที่เป็นสิ่งกีดขวางทางเข้าไปหานิพพานคือมันอยู่ที่ใจเราเนี่ี่จะเข้าไปหาใจที่บริสุทธิ์สะอาดจริงๆเนี่ยทำไงได้ก็ต้องเข้าไปด้วยปัญญาสิ่งที่ขัดขวางหรือปิดบังกลางกั้น แปลว่า น, นีวอรณธรรมก็คือความใคร่ความอยากอยากตามใจตัวเองเนี่ยมันก็คือความห่วงความเหงาปฏิฆาหมุนหญิดฟุง้งซ่านลำคาลความบังเลสงสัยไม่แน่ใจไม่มั่นใจในการกระทาในพุท ธ, ธในวิธีการในคำสั่งสอน ของโซร์พระสัมาปฏิญาว่ามันดับทุกข์ได้จริงเนี่ยเราก็เลยไม่แข็งไม่มีความมั่นใจขาดความเชื่อมันในตัวเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งกีดขวางในใจเราก็ปฏิบัติทำเพื่อชำระล้างพวกนี้ถือว่าเป็นมูลทินของจิตนะเอาออกจนถ่งว่าใจมันเฉยเฉยได้รู้สึกตัวได้นั่นแหละมีปัญญาแบบไหนที่จะเอาพวกนี้ออกจากใจได้ก็ทํำสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่านิวรณ คือสิ่งกีดขวางไม่ให้จิตเราทะลุเข้าไปสู่สัจจะคือสู่ธรรมชาติอันนั้นเนะ่ะที่เราเราเรียกว่ามาปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติให้มันถูกต้องตรงกับธรรมะที่มันเป็นจริงจริงที่มันไม่มีทุกข์เน่ยอันนี้มันเป็นทุกขธรรมะ น, นี่เพราะมันตกอยู่ภายใต้ของไตรลักษณ์คืออันนี้จังทุกของอังนาตามันเป็นทุกข์มันต้องเป็นภาวะที่มันมัน ไม่มีอะไรไปยุ่งกับมันได้จนมันไม่เป็นอันนี้ยังไม่เป็นอนาตารแล้วมันเป็นแบบนั้นของมันนะด้วยอย่างน้อยกันปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องเข้าใจสัจธรรมถึงแม้จะไม่เข้าสู่ธรรมะที่มันบริสุทธิ์สะอาดแบบนั้นก็ตามนะแต่ก็ต้องสามารถเข้าใจธรรมะที่มันปรุงแต่งได้ยังไงมันงุนหิดมันง่วงมันเหงาได้ไงอันนี้เป็นธรรมะเบื้องต้นนะนี่ธรรมชาติที่มันเข้ามาประกอบกับจิตเราเนี่ยมันประกอบด้วยได้ยังไง จิตลรวบรรเผลเข้าไปในความความทุกความปรุงความแต่งนี้ได้ยังไงเราจะเรียนสติเพื่ออะไรเพื่อเพื่อดึงจิตแยกจิตออกมาอยู่กับความรู้สึกตัวเพื่อจะสังเกตอันนี้นี่แหละสังเกตกับสิ่งที่เกิดกับจิตเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันนั่นถ้าสมงติว่าเราเผลอหลับบ่อยๆง่วงเ บ, บ่อยเข้าไปในความม่วงความเอาไบ่อยๆก็คือเราเข้าไปในทุกนั่นเองถ้าเข้าไปในความคิดบ่อยๆเข้าไปในความทุกนี่แหละ ดันความง่วงเนี่ยมันจะเห็นชัดถือว่าเป็นกิดเลสด่ด า, นดานแรกที่มันมันเข้าใจได้ง่ายความง่วงเนี่ยความง่วงมันเป็นตัวที่อยู่ตื้นๆ น, นั้นเราก็ฝืนออกมาให้มันได้จนถ้ามันออกได้จริงๆแล้วต่อมาคือตัวความคิดปรงแต่งจมอยู่อดีจมอยู่อนาคตพวกนี้มันแวบไปแวบมาเนี่ย บางทีเราออกมาได้แต่ตัวนะออกมาจากบ้านออกมาได้แต่ตัวแต่จิตเรายังออกไม่ได้ทีนั่นเรามาฝึกเนี่ยเราก็พยายามเราเริ่รู้ให้มันเป็นธรรมะจริงๆอะธรรมชาติที่จะไม่ปรุงแต่งอย่างความรู้สึกตัวเนี่ยถามว่าปรุงแต่งไหมไม่ได้ปรุงแต่งนะมันไม่ได้คิดปรุงแต่งอะไรเลยมันรู้สึกเฉยๆแต่เราไม่เห็นคุณค่าของมันในความรู้สึกตัวนี่อยู่กับมันได้น้อยเดียวแล้วก็ลงไปคิดอีกและอย่า ถ้ามันนี้ไม่ปรุงแต่งมันก็ไม่เป็นอดีตมันนี้ไม่เป็นอนาคตมันเป็นปัจจุบันปัจจุบันคือจิตที่มันไม่ปรุงแต่งนี่แหละเราก็เลยลึกรู้อยู่กับปัจจุบันนี้่เฉยรู้แล้วก็ผ่านรู้แล้วก็ปล่อยผ่านเหตุมันคิดมาก็ปาดทิ้งแล้วก็ไม่สนใจเลยว่าคือธรรมชาติของความคิดที่มันเกิดแล้วมันจะดับของมันเองทุกทุกตัวคิดมาแล้วมันก็ดับคิดมาแล้วมันก็ดับแต่ที่มันไม่ดับเนี่ยมันยาวเพราะเราเราไปต่อหางมัน เราเข้าไปในมันอย่างตัวง่วงเนี่ยถ้าเห็นทีชัดๆมันก็ดับแล้วแต่ที่มันไม่ดับก็เลยเราพิษสวามันเองเราไปติดมันทุกทุกอันที่ที่มันไม่หายมันไม่ดับเนี่ยว่าเราติดมันเราติดมันจนเคยชิน่ะเราไปปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งอดีตปรุงแต่งอนาคตปรุงแต่งความง่วงของเหาบเลยออกไม่เป็นที่ทาไงจริงจะไม่เข้าไปปรุงแต่งก็ต้องอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับสติเนี่ยให้ตั้งมั่น ไม่หวันห่นไหวไปทํากระแสกระแสของความคิดที่ไหลออกมากระแสความม่วงที่ไหลออกมาเนี่ยให้อยู่กับความรู้สึกตัวเฉยๆนี่ให้มันมั่นคงแล้วอย่าหลับตาลืมตากว้างๆคนไหนที่เคยทําแบบหลับตามามาทํามันนี้จะจมทันทีนะนะจะจมลงไปในความม่วงกลมเงาอย่างอนะน่ากลัวเลยแหละโอ้ไม่ถูกจริตหรือมาที่จริงไม่ใช่ที่ผ่านมาคุณไม่เคยสู้กับความม่วงสักที มีจะไปหลับอย่างมีศิลปะนั่นเองลาบนั่งหลับแบบไหนเนี่ยซึ่งจะดีหัดหลับมาเพราะมาหัดแบบลืมตานี่ออกไม่ได้เลยจากความหลับนั้นเพราะมันติดไงมันติดติดจนออกไม่ได้อี๋หน่อยก็หลับได้อีกหน่อยก็หลับแล้ ว, ลลวถ้าคุณไม่ฝืนจริงๆเนี่ยมันมันเป็นไปได้ยากนะสามสี่วันที่จะออกจากความม่วงได้ยากมากเพราะพระพุทธเจ้าทำมานาน กว่าจะมารู้สึกตัวเฉยๆเนี่ยแต่วิธีนี้ถ้าทำจริงๆประมาณต้กสามวันสี่วันจะออกได้ถ้าคนตั้งใจจริงๆเนี่ยแต่คนมันไม่ตั้งใจยมลืมตากว้างๆเนี่ยลืมตามองไกลๆมองดูเพดานมองอะไรบ้างเดี๋ยวมันก็สดชื่นขึ้นมาหรอก อันนี้แหละเขาเรียกว่าดอกบัวใต้น้ำหน่อมันจูงยังไงก็ไม่ออกเนี่ยง่วงง่วงออกจากความม่วงลืมตาลืมตามไม่อยากออกเดี๋ยวมันจะอ้างว่าโอ้ยหนูไม่เคยหนูไม่เคยผมไม่เคยไม่เคยมนก็ออกได้ถ้าตั้งใจจะออกเนี่ยใครจะเคยล่ะใครก็ง่วงหมดทุกคนนั่นแหละเลยฟื้นเอานี่แหละเขาเรียกว่าสู้กันตรงตรงล่ะแบบนี้นะสู้กันตรงตรงสู้กับความม่วงตรงๆง สู้กับความคิดตรงตรงสู้กับความอยากตรงตรสู้กับทุกตรงตรงเนี่ยเนี่ยเรื่ยสู้ตรงตเนี่ยสู้ไหวไหมเนี่ยคือปฏิบัติธรรมแบบสู้ตรงตรงวิธีของหลวงพ่อเทียนนี่เป็นวิธีลัดรัดชนกันตรงตรงเลยอกิเลสกับธรรมะนี่ใครดีใครอยู่สติกับความคิดเนี่ยใครดีใครอยู่ความห่วงกับความเหงานี่ใครดีใครอยู่ไม่มีการเลี้ยงกันละเนี่ยไม่มีวิธีกรรมไม่มีที่ตดีตรองอะไรนะ บทสวดก็เหมือนกันเขาสอนในเรื่องปฏิบัติธรรมมานี้แหละเราฟังดูโอ้ความหมายมันเปหนีนี่เองเนาะตั้งใจมาดิโอ้ถ้ามันง่วงในี่นั่งกุกเข่าขึ้นเปลี่ยนอรียบทกลับไปกลับมาไม่ใช่อยู่ท่าเดิมท่าเดิมแล้วก็นั่งขัดสมาธิไปแล้วก็หลับไปมาี่ยโอ้ย มันโง่ให้พระพุทธเจ้าสักสิบองค์มาสอนนี่เธอก็จะโง่เหมือนเดิมนะแบบเนี้ยอย่าว่าแต่อาตมาเลยนะนิมนต์พระสัคยมุนีพุทธเจ้ามาสักแปดสิบองค์มาสอนก็โง่เหมือนเดิมแต่มันโง่แบบนี้มันต้องรู้สึกติว่ามันเป็นอะไรตอนนี้กูเป็นอะไรเนรู้จักตัวเองขึ้นมาบ้างมันถึงจะออกได้เธอดูดิเขาติดรูปพระพุทธเจ้านีูไม่รูปกี่รูปแบบนี่ ป, ปุกทั้งพุทธทั้งพรามทั้งทั้งอะไรทั้งอิรนรียมาหายานี่มาเฝ้าดูเราเนี่ยทั้งตะไลลามะนะทั้งพุทธทาสพุทธพุทธะทั้งมหาปธรมสัมภะทั้งพระพุทธรูปเนี่ยพม่านี่พระยกเนี่ยนั้นกับพระที่เบตดนั่นน่สารพัดมาเฝ้าดูไม่อายเขาเลยเนยเราเนี่ย เรื่องของกูกูจะหลับเนี่ยอะไรประมาณนั้นโอ้กิเดียดหนาเนาี่ยอกอยากนะลืมตากวา้วางๆอันนี้แหละประเทศไทยที่ปฏิบัติธรรมแล้วมันไม่ก้าวหน้านะ่ะศาสนาพุทธในประเทศไทยเป็นพูดเป็นพุดเป็นพุท ธ, น, ทธนะแต่มันเป็นศาสนาพูดประเทศไทยนะมันไม่ใช่ศาสนาพุทธทะตูตื่นบึกบานเรามีแต่จําเอาจำเมแล้วก็หลับๆตื่นๆก็เป็นเนี่ยอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลย มันเลยไม่รู้ในต่างประเทศในฝรั่งในเรนต่างเนี่ยที่เบียดเนี่ยเขาจะดังมากออกเซนพวกเนี้ยเขาปฏิบัติแล้วเขาเห็นแจ้งเขาทําได้ประเทศไทยมีที่ไหนไปเผยแพร่และก้าวหน้าในต่า ง, งชาติมีไหมหาแทบไม่มีผู้เสาร์สนามประเทศไทยเพราะอะไรล่ะเข า, าจะหลับกับหลับไนี่แหละแต่ว่าผิดเลยมันไม่ได้ผิดแต่มันหลับมาเขาสอนให้ตื่นพุทธะเนี่ยตื่นรู้ตื่นเบิกบาน ตื่นขึ้นตื่นขึ้นการแก้การหลับเนี่ยพระต่างประเทศเขาจึงเลี่ยงใช้หลายแบบที่เบียดเขาจะมีบาดดูเล็กขึ้นมาแล้วเขาจะมีไม้หมุนไม่หลับนะแล้วก็้ลืกรู้แล้วเขาจับมันเป็นด้ามมีนุ่นจังงเยงงงเงงเงางีเขาเคาะเคาะดังสนั่นวันไหวนะก็จะตื่นตรอดเวลาน่ะเขาทำให้จิตเขาตื่น ของเรานี่จะคุยกระดังนี่เมียม้ยวเวลาจะขยับก็วัวสมาธิหลุดค่อยๆขยับวัวแต่จะมันขาดเนี่ยมันก็เลยโง่เพิ่มเพราะอะไรก็ค่อยๆเบาๆอยู่นี่นแต่เขานี่โอ้ยหกกระเบนตีลังกาเขาก็บรรูุทำคือทำให้มันรู้สึกตัวทำให้มันตื่นตัว เพื่ อ, อ่านหนังสือการ์ตูนพุทธศาสนาสําหรับคนรุ่นใหม่นะที่มหายานเขาเขียนนััตฝรั่งเขียนเขาเขียนได้ดีมากทํารูปการ์ตูนนำยอะเยอยพระเซนเนี่ยเอ้พระคือเขาไล่มาตั้งแต่พุทธศาสนาในโลกนี้แหละของคนไทยนี่เขาผ่านนิดเดี่ยวเองแทบไม่มีเขามาเน้นการห่ผมผม้าห่มผ้าในก็บิดอย่างเงงวงช้าง แล้วมันก็ไม่รู้นะนก็จมอยู่แบบนี้ยะนั้นเลยตื่นนะตื่นตาขึ้นถามว่าทุกอย่างที่เขาสอนมาเนะี่ยมันผิดไหมมันไม่ผิดหรอกเพียนธรรมทาให้มันรู้ต่อเนื่องเป็นไมตรีนเองอ่ะมันผิดตรงที่เราทําไม่ได้นี่แหละอันนี้ก็ทําให้มันได้ทำให้มันตื่นตัวลืมตาลืมตาอนาปาก มันอร่อยวันนั้นลึ่วงเนี่ยเอ้าลืมตาขึ้นนะดูพระท่านนีไม่เห็นหลับสักงท่านก็คนเหมือนเรานี่ยว้องไหนสามหูบ้างเธอดูดิมันไม่มีไม่มีมมสัตว์ประหลาดมาเกิดนะพระเนี่ยเอาคนมาทำมือนกันเ่ะหรือเธออยากมานั่งแถวหน้าเหมือนพระนี่ก็จะไม่หลับมันอยู่แถวหลังอยู่ตามต้นเสาตามมันก็หลับกันเนาะมันอยู่ที่จิตนะมันอยู่ที่จิตอยู่ที่จิตอยู่ที่จิต นอกจากรู้สึกตัวไม่ง่วงแล้วก็สติก็ต้องอยู่กับปัจจุบันกับอันนี้ด้วยได้นี่ประคองให้รู้ตื่นตัวเนี่ยเราเคยเห็นไหมน้ำลวงตาพูดเล่นนะเคยได้ฟังเขาไปนั่งปลกเวลาเขาพูทธาพิเศษเนี่ยก็จะมีคนสวดอยู่สี่องค์นะหือสององค์แล้วก็จะมีพระมานั่งปลกมีได้ทรัยสินดึงมามีอยูสี่มุมนะ่ะแล้ว นั่งบริกรรมเขาเจนิมุนอาจารย์ดังๆท่านน่ะมาสีย ง, งเขานั่งปลกปลกพระนี่นะนั่งปลกอกพระนี่ควา ม, มจริงคือพุท ธ, ธวิเศษก็คือการปลุกเสก ค, คนนี่แหละให้เป็นพระให้มีพุทธะอยู่ในตัวนะยติปิโสโค โ, โนภะกวาน่น ะ, นาะสวสดยีติปิโสร้อยเจ็ดร้อยแปดจบเป็นัหยนะคือมันเพี้ยนไปจริงๆก็คือมาปลุกคนให้เป็นพระนี่แหละ แลพะที่นั่งปลกก็คือนั่งเฝ้านะแต่นั่งอยู่บนธรรมะชั้สูงหรอกเฝ้าดูไอ้พวกที่เข้ามาในบริเวณได้ ส, สินที่ดึงลงมาคนหลานหวานเคยเห็นไหมเวลาเขาทําพิธีนะนั่นแหละเราก็จับได้สิ่งนั้นจับปนมือคนละเส้นะพระท่า น, นจะนั่งดูคนไในหลับท่านก็ <c oughs> <c oughs> เราก็ตื่นขึ้นมานตั้งใจทําำแต่พระที่ไหนได้นั่งปลกก็นั่งหลับของพระพระก็นับเอาขวพระโยมก็นับพอยม ศา ส, สนาพุทธของประเทศไทยมันก็เป็นแบบนี้แหละมันก็หลับกันไปแล้วก็ได้ของขลังของศักดิ์สิทธิ์ได้พระเหรียญนหนึงขึ้นมาเอาไปคล้องคอทั้งนี้งมาทีก็มีพอเสร็จพิธีก็ยื้อแย่งได้สายศีลกันดึงไปดึงมางบาดคอที่อยู่ในตันคนที่อยู่ข้างในนั่นเองไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยนะอันนี้มันนั่งปลกนี่พระนั่งปลก น, นั่นนี่ดูนั่นนี่อคนไหนที่มันหลับนะ่ะดูมันดีกว่า กว้างกระโถนใส่อะไรประมาณนั้นมันก็จะตื่นตัวตลอดเนี่ยคือเฝ้านะเฝ้าเหมือนพระอุปกุตเดี๋ยวสักวันจะเล่าเรื่องประวัติพระอุปคุตให้ฟังผู้จับภาษาอยู่ใต้ทะเลลึกเขาจะนิมนต์มารักษางานปล่อยงานสังญยางานพระเวสสันดร อ, อะไรต่างเพื่อปราบพญามารพระอุปกุตเนะี่ยเคยเห็นไหมจะมีดอกบัวดอกใบหนึ่งนะใบหนึ่งที่ปกบนหัวท่านนะ พระอุปคุตเนี่ยมีงานใหญ่ๆเขาจะนิมนต์มาทัีแล้วทาหอให้หอพระอุปคุตทําไมต้องเป็นแบบนั้นนะ่ะพระอุปคุตแต่ในตําราเป็นพระอุปคุปอุปคุปตนะ์อันนี้ชื่อท่านจะปรากฏเมื่อสังคายนานะครั้งที่สองครั้งที่สามร้อยปีผ่านไปจะมีชื่อพระอนิโผขึ้นมามันเป็นเรื่องของ ของประวัติบรรษัดีประวัติศาสตร์ประวัติอะไรเงี้ยแล้วมีพระองค์นี้จะรักษาตลอดมีปัญหาที่ไหนจะมีมนพระองค์ น, นี้มาตั้งศาลเจ้าแล้วท่านจะมาอยู่ในนั้นจะมีใบบัวใบหนึ่งปิดบนหัวนี่แหละแสดงว่าท่านจำํำรรษายอยู่ใต้ทะเลองค์นี้ึมาปราบมารโดยเฉพาะงานนี้ลตาอันนี้มนมารัตนามารักษาพวกเธอก็ได้เนี่ยืเอาใบบัวขึ้นมาเพราะมันเยอะในนี้มีใบบัวแล้วก็มนพระอุบคุตขึ้นมา รักษาเนี่ยไม่มีหลับเนี่ยไม่มีง่วงไม่มเอาใบบวก็ได้เราก็ถอนคอบหัวเอ า, เาได้มันก็ไม่มีกี่คนอยู่ในนี้ยังเหลืออยู่สองคนเองนะที่หลับเนี่ยะที่ปุกอยู่ในนี้เนี่ย ม, มีมีสองคนที่หลับเนี่ยตื่นตัวนะแต่ถ้าไปปฏิบัติในวัดนี่จะกล้าพูดอ้าวสถาบันไหนสรงเข้าประกวดพ่อมันชื่ออะไรทําไมง่วงจังในแม่มันชื่ออะไรประกาศชื่อ เดี๋ยวมันก็ขายแล้วคนมันขายหน้ามันกลัวขายหน้าขายตาคนเนี่ยถ้าอยู่เฉยๆมันก็ไม่ง่วงแล้วเอา้าเดี๋ยวจะเปิดละครให้ดูเนี่ยเธอติดละครอะไรมามีทีวีอยู่เนี่ยถ้าเปิดละครก็ไม่หลับนะพระเทพเนี่อ้าหาะขึ้นมาดีอ่ะตั้งูตั้งใจ ลองตาเาเห็นเขานมนุ์มลพระไปเท่าไหร่ท่านววชระเมธีท่านหลวงพ่อคำเขียนท่านพระครูเกษมธรรมทัตท่านด็อเตรอร์สนองเนี่ยประเทศที่มอชอนะช่วงหลังปีใหม่ที่ผ่านมาลองตาก็าเลยไปเยี่ยมหลวงพ่อคำเขียนโอ้คนฟังเจ็ดพันคน ที่มอชอนะเยอะมากคนเต็มเลยพระองค์ไหนที่ไปฟังเขาจัดขึ้นไปนั่งบนเวทีที่เขาเทศน์น่ยขยับลงไปเยี่ยวก็ไม่ได้เขาขึ้นไปนั่งบนเวทีข้างบนนั้นโอ้รายการมากมันทําลายพระอย่างยกใจเลยขยับไม่ได้เลยจะไปเยี่ยวก็ไม่ได้ได้อั้นไว้วันทั้งเทศจบต้องได้ขยับไปเขาจัดเวทีทีม่มากนะแล้วเวทีที่พระขึ้นไปนั่งเทศนี่เขาก็จะจัด เขาไปนั่งอยู่ในวงดอกไม้เขาคงถ่ายอทอดทางอินเทอร์เน็ตอยู่แหละนะนะเขาไปนั่งอยู่ในวงดอกไม้องเทศนะแต่องค์อื่นก็นั่งล้อมดูดีกูบาอาจารย์คณะแพทย์บางอะไรบางเขานี่มนต์ปเทศนะ่ม อ, อยู่ในนั้นคนฟังหอประชุมเล็กหอประชุมใหญ่ทั้งเต้นทั้งอะไรเนี่ยวงจรปิดเต็ไมไปหมดก็ยังยังไม่มีที่ว่างคนมันเยอะ วิทยุชุมชนเขาจัดด้วยเขาประกาศอยู่เป็นก่อนล่งหน้าอยู่สามเดือนแล้วนะคนเยอะมากแต่ฟังเทศนนะใน แ, แถวหน้าลุนตาไปส่องๆดูที่พอประชุมหลับหมดข้างหน้านะฟังอยู่แต่หลับพด <c oughs> เข า, า, าับเขาเป็นแนวแต่มันก็พยายามแพนกล้องให้ไปแบบไ ว, ไวพวกหลับมันถูกอาจารย์ใหญ่เขาจะไม่ค่อยดี ม, มันเลยไปกลัวจะขายหน้าเลย ไปดูที่หอประชุมเล็กก็เหมือนกันอนะโอ้ก็หลับไปงั่นแหละนะแล้วก็มาไหว้ตอนนี้ท่านรูปหัวนี่แหละต่างหาตอนกินข้าวเพียนี่นะใครก็เอาหัวมาให้ลูปบอหัวมาให้ลูปคนนั้นเอาหัวมาลูปให้รูปรูปแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรต้องด้ขี้มือไม่ไ้อะรเลื่มตาโยมลืมตามองไกลๆหายหยาวๆโรตานั่งก็ปวดหลังแล้วเนี่ย พวกเธอยังไม่มีไข้ไม่มีป่วยอะไรนะ่นเดียมีปัญหาอยู่แค่หลับอย่างเดียวนะฉันมีปัญหาเยอะๆในร่างกายนี่อดทนอยู่ทำไงได้รับนิมนต์มาแล้วต้องอดทนอนะ่ะสู้ตายแหละอย่าลืมไปงานศพ บ, บ้างนะไม่มีบัตรเชิญแนตะ่ก็อดเอาทนเอานี่หลายคนนะนี่ ถ้าแต่ปีใหม่มานี่ปฏิบัติกับหลวงตา ม, มาสามงวดแล้วก็มีนะค น, นนี่สามสนามแล้วก็ยังมาอยู่นะก<ป>็ยังสู้ตายอยู่นะนะแต่บางคนเพิ่งเคยมานี่นมันทกตายเนาะเขาไม่เคยอ่ะไม่เคยมันเคยทุกบางคนนีนผ่านฤดูร้อนก็ไปฤดูหนาวก็มาหรือดูฝนก็มาฝืนเอาเอาภาคเหนือก็ไปภาคตะวันออกก็ไปภาคกลางก็ไปกรุงเทพก็มา มันต้องบรรลุทมที่ได้ที่หนึ่งละถ้าเกี่ยวกับอากาศนี่กลัวจะไม่ใช่นะปฏิบัติทมที่นี่จบเป็นที่เท่าไหร่นะมีคนมาถามลงตาลงตาก็จำไม่ได้แล้วละลืมวเช้าสิบห้ากลับบ้านลงตาก็เช้าสิบห้ากลับกลับปุ๊บลงตาก็ไปต้องไปเทศที่เขาใหญ่สิบห้า ให้ทันตอนเที่ยงตอนเย็นลงตาต้องไปเทศที่สารคามต้องไปให้มันทันตอนค่ำพอตื่นมาวันที่ส6หกกองงานปฏิบัติธรรมของอผู้บริหารของจุดาพ์ที่วัดก็ประมาณสักห0สคนบวกราชภัสาสิบก็เป็นร้อยหนึ่งในสี่สิบที่วัดก็ไปจบ 24, 4, 3, วันที่ยี่สบสี่สิี่ก็พักสามวันอบรมอีกอะไรประมาณนั้น อันปีหนึ่งปีหนึ่งทำงานหนมากกว่าเธออีกเป็นบริษัทที่ทำงานหนักมากพุทธบริษัท ต, ตื่นตั้งแต่ตีสามนอนสามทุ่มบริษัทอันนี้อบรมหมดวันไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเพราะเธอเนี่ยมาเพิ่งสองวันเจ่านี่กลับแล้วมันกลัวทุกมันไกลกันมากคนคุณภาพมันต่างกันชีวิตเนี่ยนะพวกเธอเขาว่าเอาจริงแล้วใช่ไหมผมเอาจริงแล้วนะมานี่เอาจริงจริงแค่นี้นะ่ยมันไม่ได้กระเตื้องอะไรหรอกนี่ กิเดศมันไม่ได้สะดุ้งสะเทือนอะไรหรอกต้องตั้งใจกว่านี้เสร็จปุ๊บก็เดือนเมษาก็เอาแหละตั้งแต่วันที่สเมษาก็ยันไปถึงวันที่11แล้วก็วันที่ก็กลุ่มมันก็จางวันที่10เมษาไปถึงวันที่2 0 3สโจบเดือนเมษาพฤษภาก็าอบวิลัล การอาชีพของน้องคยครเดือนพฤษภาก็จบงานเดี๋ยวนี้ก็รับไว้แค่เดือนพฤษภามิตุนาคก็ยังมิตรนามเข้าหน้าฝนแล้วแต่พฤษภาก็ไม่แน่อาจจะพาพระขึ้นไปอยู่เชียงใหม่อีกสักคอดหนึ่งสักช่วงนั้นก็ตั้งใจโยมกว่าาะมาได้นี่โอ้ยากลำบากเธอมันอยู่ใกล้ มนามันอยู่ไกลกว่าจะมานี่ต้องผ่านตำรวจทางหลวงไม่รู้กี่แห่งเขาโบกยุดยุดยุดไปไห น, นะวะเทศในคนเสื้อขาวเทศก็เอานิมนนิมอนไปกี่คนเนี่ยเกินห้าคนไหมเกินวะมีผ้าด้วยอะไรด้วยไปมาเดี๋ยวเข า, เาไปเจอป้อมยามนั่นแล้วโบก เพรเธอเขาไม่โบกสักทีนี่มันมาได้สบายๆง่ายๆรถมานี่ก็ยืมเข้ามานะเนี่ยยืมรถจนเข้ามานะมันมาลําบากพอสมควรพรเธอ ม, มีแต่คุนง่ายๆมาเนี่ยถามว่ามาไกลไหมยี่สิบนาทีไ่ไกลน้ๆเองประมาณท่านี้ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงใกล้เนี่ยใกล้แล้วมา ใ, ใกล้เนี่ย พระก็มาไกลๆเนี่ยตั้งใจมาร่วมกันนั่งหลับนี่เหรอไม่น่าจะใช่นะมันต้องดีกว่านี้บางคนมีคำถามว่าปฏิบัติธรรมแบบนี้ให้จิตตื่นตัวแล้วต้องทำสมาธิอีกไหมประมาณเพื่อคนมันไม่รู้ก็ไม่รู้ยิ่งปฏิบัติธรรมลยเพื่อให้ได้เหมือนเราหาไฟอย่างเงี้ย ไฟจากไม้ก็ได้ไฟจากไม่ขีดก็ได้ไฟจากไฟแช็กก็ได้ไฟจากอันไหนก็ได้ก็คือแสงสว่างนั่นแหละเหมือนเราจะเข้าไปในถ้ำหรือจะส่องทําลายความมืดเนี่ยพอเราได้ไฟมาไฟจากอะไรก็ได้ก็ ค, ค, คือไฟเหมือนกันเนะ่ยเราจะยกมือแางจังหวะเราเดินจะกมดูกําหนดรู้ลง ม, มาทําอะไรก็ได้จริงๆก็คืออยากให้เกิดสตินั่นแหละอยากให้เกิดการรู้แจ้งถ้ามันรนู้แจ้งแล้วต้องไปหาการราู้แจ้งอีกไหมมันก็ไม่จำเป็นเพราะมันเป็นอันเดียวกัน แต่ถ้ามันไม่รู้มันก็ไม่รู้อย่งอันดับแรกคือทํากายกับใจเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันนะนี้กายกับจิตนี่เป็นอันเดียวกันแล้วเขาอยากให้สังเกตไปด้วยที่ทําเนี่ยไม่ใช่สักแต่ว่าทํำแล้วอยู่ๆมันจะเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นสมาธิมันไม่เป็นให้หลอกโยมอะถ้าไม่รู้จากสังเกตเนี่ยการสังเกตคือปัญญาใช่ไหมนี่ลูกตาดูไอ้เด็กๆพวกมันทํำนี่คงจะเกิดปัญญายาก มันทำแบบเหมือนสังกตายประมาณนั้นนะถ้าทำเท่าที่วางจิตอยู่ปัจจุบันนี้นี่ล้านลงเงินเป็นร้อยร้อยเอาล้านล้านเอาร้อยนี่ไม่เกิดปัญญามันต้องทำให้มันตื่นขึ้ น, นมาจิตเนี่ยมันตื่นเลยลึกรู้นี่ดูสังเกตดูภายในไปเรื่อยๆดูง่วงดูเงาดูเบื่อสังเกตไปเรื่อยๆดูว่ารู้สึกตัวไหม รู้สึกตัวมันอยู่กับเราไหมที่มันหายไปเพราะอะไรก็สังเกตอยู่เรื่อยๆนี่มันมีง่วงไหมมีเบื่อไหมมันคิดไหมมันหลุดไปเร็วไหมนี่ต้องดูป่านนั้นนี่ไม่ใช่ขอแต่พอยกมือขึ้นยอมยกขึ้นจางจังวะโอ้ย่างงี้ตามันก็หลับอยู่นี่มันจะเกิดอะไรขึ้นมามันไม่เกิดอะไรหรอกแบบนี้เพราะมันก็หลับอยู่กระตุกทีหนึ่งก็ยกทีหนึงเสร็จปุ๊บก็ลงมาบางทีก็หลับอยู่ก็รบ อ่เงี้ยมันไม่ไม่เกิดหลอกอันนี้มันไม่ได้ตั้งใจจิตมันไม่ใส่ใจมันไม่ตามมันต้องตั้งใจคนที่จะเกิดมันย่งมันดูไม่ยากเท่าไหร่หรอกคนไหนที่จะบรรลุธรรมหรือเข้าใจธรรมะมันไม่ยากเท่าไหร่หรอกคนไหนที่มีพื้นฐานมีอุปนิสัยพอที่จะเข้าถึงทำได้มันก็ดูไม่ยากเท่าไหร่หรอกไอคนที่มันยากก็คือคนนั่นแหละแต่เขาก็อยู่นะเขาก็ตั้งใจนะมันก็ไม่หนีกลับนะไอข้อโง่นี้ก็ไอที่ได้ปลูกประจําเนี่ยมันก ทำไงได้เกิดมาเป็นคนเหมือนกันเนาะก็ช่วยเหลือกันไปนั่นแหละหลวงตาก็ไม่ได้โกรธนะมันโอ้โหนี่เขพยายามปลุกเต็มที่แล้วนีนน่แต่พูดหวานไม่เป็นนั่งไ้ดีนะจ๊ะมีม <c oughs> ทำใจสบายนะจ๊ะอย่าอยู่พูดไม่เป็นหลวงตานี่ยมีแต่จะกว้างไม่ไปเลยแหละเนี่ยเริ่มตากว้างๆทําทใจปลง่ปลงๆตั้งใจดีๆอย่างเงี้ยได้พูดไปอย่างเงี้ได้ แต่ในแจา้งนแจาน้งนี่โอ้ยมันมเดี๋ยวท่านให้ท่านมาหาท่านพูดท่านอยู่กรุงเทพองตาพูดไม่เป็นเลยข้างก่อนคนไปปฏิบัติทำเป็นผู้บริหาร น, นะผู้บ้านเขาเป็นรวยกว่าล้านนะองตาผ่านไปแกนั่งหลับนั่งหลับฝนตกนะแทนที่คนอื่นเขาเดินจีกมต้งเปียกทั้งแกมมานั่งหลับองตาเข้าไปลุงตาเลยเอาล่มแทงปากแก <laughs> หลตาถือล้มมานะฝนตกนะหลวงเหียนเกหลับอยู่หลวงตาพับล่มแล้วแทงปากลูกน้องแกตกใจหมดว่ากลวงตาแก้หลวงตาก้าแทงไม่ใช่แกล้งทานะก้าแทงปากผู้บริหารเขาหลวงตาไม่รู้ใครบริหารไม่บริหารละ่ะไม่รู้เนะี่ะใครก็คือใครแล้วก็คือมันก็งงๆแทงไปเขาตกใจเขาพูดว่าหลวงตาคงไม่รู้จักเจ้าหนายนะเขา เป็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากๆนะนู่นแหละเกือบเกือบเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนู่นแหละแต่ไม่รู้เราล่มแทงปากมันไปแล้วไม่รู้มันหลับอยู่นะเราแทงไปงนี้นะนั่งหลับอยู่แต่แกก็ดีนะแกว่าก็ไม่เป็นไรนะ่ะท่านแทงลงตาเดินมามีความก็ไม่เป็นไรก็เราผิดนี่เนียเรามานั่งหลับท่านเตือนก็ดีแล้วอะไวู้เขาดีมาก ก็ดีมากเขาคือยังรู้สึกว่านี่คือความปารถนาลงตาปรารถนาดีเราต้องไม่ได้คิดอะไรแทงให้มันรู้สึกตัวตื่นนีเฉยแต่คนอื่นลูกน้องที่อยู่ห่างๆมองมนันเขาตกใจกันหมดเนึ่องว่าผู้บริหารจะพาห น, นีกับเพราะว่าแทงปากผู้บริหารเขาด่ามล่มก็ไม่แหลมเท่าไหร่หรอกเพราะราคามันไม่เท่าไหร่แต่สนิห ม, มันเยอะทั้นั้นแหละอันนี้พวกเธอก็คงจะไม่ล่ารวยเท่าไหร่คงแทงปากทะลุรูหูได้อยู่นะเนี่ย ทำใหมันตื่นเถอะอย่างงี้ใกล้ๆเดินจะกลมอย่างเงี้ยสบายเลยทั้าง่วงเหงาเนี่ยนะผักตกหนองน้ําได้สบายเลยเนี่ยเขาเขาอยู่เขาตั้งใจปฏิบัติทำแล้วเขาก็เข้าใจนะเขาก็ขอบคุณอย่างมากอที่เป็นปุกเขาตั้งแต่วันนั้นมาเขาก็ไม่เคยหลับเลยเขากลัวแทงปากเขาอีกมันไม่รู้จะพูดยังไงเน่ยสอนหวานสอนยังไงสอนเป็นหลือมันจะเป็นแล้วจีเด็ดนะ ช่วยปยุงมันก็ไม่เป็นนะโอ้ยญาติโยมหลับดีแล้วเกิดนะคงเป็นมาแต่ชาติปางก่อนนะอันนี้ก็หลับไปตามบุญตามกรรมแล้วนะอันนี้โอ้ยมันไม่รู้จะมาทํำยังไงอันนี้ยังไปถ้าพูดอย่างนี้ก็ไม่ทําทําไมเสียเงินเสียทองเสียพูดที่เขาจัดอบรมมาเสียเวลาลงตามาอบรมอีกเสียเวลาพวกเธอมาปฏิบัติธรรมอีกเนี่ยจะมาพูดเล่นๆหัวๆกันอยู่นี่มันก็ไม่ได้ล่ะชนเป็นชนตายเป็นตายเ่ะ สู้กันเลยแหละบางทีมีนะเดินจูกรมเดินไปเดินมามันั่งหลับลืมตาหักหลังมดแดงฟาดใส่หัวเลยนะมดแดงกัดเต็มเลยแหละเดี๋ยวมันก็สดชื่นขึ้นมาเองงออกได้แต่ถ้ามันโกรธมันก็นี้กลับบ้านไปเราก็ไม่ใช่หน้าแม่เราไปแล้วก็แล้วไปนะคือเรื่องใครเรื่องมันเราก็ไม่ได้ไปทุกข์กับใครเป็นเรื่องของเขาใครทุกข์ก็คือเรื่องของคนนั้นนั่นเองแต่คนไหนได้ก็ได้ พระเจ้าหน้าที่รปชไปอยู่ด้วยไปปฏิบัติธรเดินง่วงทุวันดวนไม่ได้เลยมีแต่ละบกุมหลับของตาพาดที่วอนนี่ห่อขี้ควนไปเช่น้ําปุ๊บแล้มัดมานมาเป็นกระจุก็ตั้งบนหัวเดินสั่งเดินตั้งบนหัวนี่แหละได้แค่ก็เดินนะแต่ก่อนก่อนจะทํานั้นก็ทําพิธีก่อนโอ้หมาดคาถาที่งงงงงงงเป็นที่ปากกมุกกรมาไปมานน่ากลัวขึ้นมาหน่อย แล้วก็เป่าลงไปในนั้นแล้วก็ตั้งชุบลงไปอย่าให้มันหล่นนะวะอันนี้จะช่วย alive, เธอได้เธอจะไม <c oughs> <vibes> ่หลับตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปจบจริงๆเลยลงทาผมหลับตลอดนะว่าอ้นี้จะไม่หลับตั้งแต่่าเป่าเพียงแล้ก็ใส่น้ํามันก็ไหลย้อยเต็มหมดเนกระผีเวลาเดินนี่เดินอยู่กับโยมเขายอมเขากหัล้อแก่แกก็หัวล้อญาติโยมเขานะหัวล้อก็ได้เดินไปมันก็ไม่หลับวันแรกมาฉันเข้าวแล้วปุ๊บก็รีบผมมาตั้งกันดีก็เดิน ได้หอหมกวลันวลันเดียวหอมหมกมันใหญ่เดินไปเดินมาภาพไปอยู่ด้วยสี่องค์ออกพรรษานี่เขารู้รูปนามคนหมดแล้วเหลือแต่แกคนเดียวแกเป็นหลวงที่หกนะไม่รู้จาะพรรษาแล้วออกพรรษาได้เดือนหนึ่ยังไม่รู้อีกก็เลยเอาห่อนี่ตั้งออกพรรษามาลูกับเขาแนะ่เก<ม>ือเพราะมันติดตัวง่วงไงมันออกไม่ได้สักทีสามเดือนนี่ง่วงทุกวันนะแต่พอใส่อันนี้แล้วก็ไม่ง่วงก็ตั้งใจทําก็ออกได้ อันท่าไม่โกรธก็ออกได้แต่ตรงหัวระดับผมนี่จะเอาดินมาใส่ด้วยนี่เปนอย่างนี้ก็ไม่ได้แหละไม่ดู้เรื่องอะไรของเขาเลยอันเธอเขาอดเขาทนเธอหัวง้โง่พวกนี้ก็ลองไปทําดูบางคนปฏิบัติทำผมมันยาวๆในเวลามันง่วงเนี่มันเสยลงมาปกทางหน้าไม่เห็นตามเลยําไปะมองไปเอาตามันอยู่ทางไหนยังไมเห็นอันผมมันบังเอาไว้างดีอย่าไปกลัวนะออกจากความมัวหอ่อยใงได้หลายๆคนพูดธรรมะเก่งจังน่ะ ระดับนั่นระดับนี้ชานโนนชานี้พอให้นั่งส่ายหัเดินจูกลหน่อย ง, อง่วงอย่างกับผีเข้านั่นทาที่เป็นเก่งแต่ออกจากกิเลสตัวแรกก็ไม่เป็นเนี่ยอย่าไปคุยปฏิบัติธรรมนะมันต้องสู้ยห้มันได้ตรงตรงนี่แหละตาลูกนิดเดียวรักษาไม่ได้จะไปรักษาใจเหรอรักษามันไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายเนยตัวใจนวนเนี่ยตัวสาคัญเนี่ยกับตัวตาเนี่ย ตานี่กูไปหาเรื่องเข้ามาใจก็รับเอาทำให้มันตื่นนะตื่นตัวตื่นตาตื่นใจตื่นตาด้วยแสงไฟเปิดแสงไฟเปิดไฟขึ้นมันก็ตื่นมันแสบตาแต่ถ้าแสงสว่างสัดสองคือมันสว่างที่กลางใจมันสว่างขึ้นมานันใจมันสว่างแล้วมันเหมือนกับสว่างทางตานี่แหละมันจะแจ้งขึ้นมาเนี่นั่นแล้วจิตมันก็จะตื่นดอก อย่างที่ว่ารู้อันนี้แล้วก็จะตื่นเบิกบานจิตมันจะเบิกบานนั่นเองนะมันมีหมดแหละมีทั้งปีติมีปัจสัยมีสมาธิมีอะไรในตัวมันเสร็จสับขอแต่อันดับแรกคือทําให้ตัวตื่นนี้ให้เกิดให้ได้ก่อนเล่นกับตัวง่วงนี่ให้ทะลุก่อนให้ได้ไม่ต้องไปทําอะไรมันแต่จะไปทําตามมันมาเจอง่วงเจอเอาให้เห็นมันก่อนอย่าเรามานั่งในนี้มาเจองง่วงให้มันเห็นมันอย่างลวงตาดาเนี่ยทําไมมันโกรธเวลามันโกรธทําไมมันไม่ง่วงเอา ยมท้าไม่โกรธคนอื่นเวลาเขามาด่าทำไมเราไม่ง่วงขณะที่กาาไม่ง่วงจัดๆเนี่ยเวลาเขาด่าน่ะทำไมมันไม่ง่วงมันเป็นเพราะอะไรเราลองสะกตดดูดิทําไมมันไม่ง่วงเวลาถูกเขาดูถูกดูหมิ่นเหย็ดหยามเนี่ยทำไมันตื่นขึ้นมาแล้วมันโกรธแต่มันไม่ง่วงเลยบางทีนอนไม่หลับนะโกรธคนน่ะมันเหมือนกันคล้ายๆอย่างเดียวกันเวลาเจริญสติแล้วสติมันตื่นมันรู้แจ้งตื่นอูกบาขึ้นมาเน่ะ มันจะไม่ไม่ง่วงแบบนั้นแหละแต่มันไม่ใช่อารมณ์โกรธแต่มันจะเป็นจิตตื่นนั่นเองมันเป็นคล้ายๆกันนั่นแหละแต่มันแทนที่จะเอาตัวโกรธเข้ามันแทนไม่ไม่ใช่แต่มันเป็นความรู้ตัวทุบพร้อมที่มันตื่นขึ้นมาเฉยๆนะแล้วมันไล่เอาความโกรธความโลภความหลงไปจากจิตอันนี้นั่นแต่ถ้าจะยกเล่นๆงัววัไปไม่สังเกตอะไรมันไม่เห็นอะไรหรอกมันต้องสังเกตนะไอ้นี่มันจะได้แต่ความอดทนได้นี่ ถตัวอดทนมานี่นอดทนกับหุ่นดีขึ้นหน่อยเท่านั้นแหละโอ้ยกุลาบอมลงหน่อยหนึ่งนะตอนนั้นแหละเขาคอรดไดเอียดนิดหน่อยแต่กลับไปบ้านมันก็จะชดเชยนะนี่เฮ้ยกูนอนเบิดคอยหลังดีกว่าไม่ยังไม่ทํางานลาเพิ่มอีกเพราะไม่ได้นอนมาหลายวันเนี่ยนะสังเกต ด, ดูไหมถ้าไม่ได้นอนที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าได้เงียบสักนิดหนึ่งพระไม่เห็นกูก็พอใจแล้ว เงัยบหนึ่งอยดีใจท่านไม่เห็นนะมันพอใจมันเหมือนอิ่มไปได้หลายนาทีน่ะแค่ห้านาทีก็พอใจนะแต่เราไปนอนอยู่ที่บ้านแล้วตื่นใสายเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไม่อิ่มแปลกนะมันยังง่วงอย่างสลึมสลืออยู่แต่มาอยู่ที่นี่มีโอกาสถ้าขโมยงีบไปสักห้านาทีถือว่าเจ๋ามากแล้วแค่นั้นก็จริงจริงใจิตเนี่ยมันมันมันเสีความง่วงมันจะไม่นานน่ะนี่เดี๋ยวเองแล้วมันจะอิ่มตัวแต่เราไม่ค่อยสังเกตมัน ล้วจะเก็บมันจนหมดเลยเนะี่ยมีเท่าไร่ตามความอยากมเมลไรกลายเป็นนิสัยเป็นสันดานออกอยย่ไม่ได้ดูหน้าคนหลอกดูนาฬิกาดูนาฬิกาว่าเวลาเท่าไรมันเลื่อมตามันไม่ค่อยเห็นเสียงมันจะตอนไปนกาจะปล่อยเธอเปน็นนอนเผื่อจะได้กุศลบ้างเอาบุญกับพวกเธอนี่แหละ นั่นแหละที่บอกว่าทํำไมต้องไปเจ็ดวันนะคะปฏิบัติธรรมก็เพราะว่าวันแรกๆในพวกเธอปรับตัวไม่ได้หลวงตาต้องโอนอ่อนผ่อนตามใช่ไหมโอ้ยอย่าง น, นี้ก็สงสารนะจะรัดเข็มขัดมันเต็มที่ก็ไม่ได้ก็ปล่อยๆ ย, ย่นหยวนกันไปบ้างเลยประมวันที่สองก็ค่อยตึงขึ้นตึงขึ้นวันนะั้นนะ่ะที่เล่นที่จริงขยับไปขยับมามก็เริ่มดีขึ้นมานะแต่ถ้าเอาจริงเลยนี่ก็โอ้โหดีแล้วเนี่ยนะ้อมกลับบ้านหมดนะ ตาห้ายอยก็ลอกไปนะทะลุกันหมดแหละไม่ใช่บรรุได้หลายคนนะหลวงตาได้ยินพูดในใจพูกนี้กูจะเอาเป็นเอาตายแหละพวกนี้วะพูดในใจกูจะเด็ดขาดแหละเนี้ยอนุโมทนาด้วยอนุโมทนาด้วยหวังว่าเราจะไม่ตายนะกิเลสตายตั้งใจนะ แต่บางคนนะเวลาปล่อยไปนอนเนี่ยมันก็จะไปอาบน้ําอาบน้ำแลำว้วเมืก็จะคุยกันขอนเพื่อจะนอนหลับเพื่อจะไม่คุยกันนะถ้าคุยกันจะเสียสองคนเสียสองต่อคือที่ฝึกมาทั้งหมดเนี่ยเวลาไปคุยกันเนี่ยมันจะได้ความคิดคนอื่นเข้ามาใส่สมองเราอีกจิตแล้วที่มันกําลังจะว่างเนี่ยมันที่กลายมีแตความคิดคนอื่นเข้ามาอีกแหละหรือเราไปพูดให้คนอื่นฟังก็เอาขยะในเรานเนี่ยไปเทใส่หัวคนอื่นอย่าไปใส่เขาคือถึงเวลานอนนอนเลยถึงเวลาตื่นตื่นเลย อย่าไปยุ่งกับใครอ่ะถ้าคุยกันเสียสองคนถ้าหลับคนเดียวก็เสียคนเดียวเฉพาะเราไงได้อยู่อันอย่าไปสนใจใครมาที่นี่เพราะว่าใครเอาอะไรให้เราไม่ได้มีแต่เอาแต่ความคิดให้เราบางทีคุยกับเขาเนี่ยมันขัดแยง้งแล้วก็อย่าไปสอนกันในนี้เนะี่ยอย่าไปสอนคนนั้นอย่าไปสอนคนนี้นะไปสอนคนอื่นบางทีโู้คุณบรรู้แล้วใช่ไหย เดี๋ยวมัก็คุยให้คนคนนี้ฟังคนก็ตื่นว่ากูยังไม่รู้กูจะเล่นเครื่องก็จะเป็นประสาทา ต, ตายอีกแหละมันก็น ค, คือตัวใครตัวมันละมาที่นี่ตั้งใจตัวใครตัวมันใครได้ก็คือได้ไม่ได้คือไ ม, ไ, ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมัาขอแตตั้งใจ ท, ทํานั่นเองไม่อยากนะมาที่นี่กายเคลื่อนไหวใจรู้ปรัชญาการปฏิบัตินะกายเคลื่อนไหวใจรู้กายเคลื่อนไหวใจรู้ รู้ว่ามันเคลื่อนไหวนี่ที่เรายกมือนี่เคลื่อนไหวเนี่ยให้ใจมันมารับรู้นี่หลักปฏิบัติก็สัมรวมบินรีสัมรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจโภชเนมัตตันดุตารู้จักประมาณในการกินแล้วก็ชาคริยานุโยก็ประกอบสติให้จิตมันตื่นอยู่เสมอตื่นตื่นจากทุกเนี่ยตื่นจากความตรุงแต่งตื่นจากว่วงจากเหงาเนี่ยให้มันออกมาอยู่เรื่อย แค่นี้หลักปฏิบัติธรรมเนี่ยทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยรับรองคนะแค่นี้ก็ได้แล้วนะหรือแค่รู้สึกตัวไม่ให้มันเข้าไปในความคิดเนี่ยออกมาอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆเนี่ยทำอยู่ประมาณสี่ห้าวันถ้าใครทำตั้งใจจริงเนี่ยไปทำที่บ้านทำที่ไหนก็ตามแนะ่ะก็เกิดการรู้แจ้งอะไรทั้งนั้นแนหะคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยเพียงแต่ว่ามันทำให้จริงหน่อย น, นั่นเองทีอยู่บ้านมันไม่จริงมาอยู่ที่นี่มันมันยากลําบากนะ ตอนเย็ยนมาบางคนก็นึกอยากกินข้าวรถมันมาขายเกับข้าวนะตอนไม่านมันประกาศนะ่ได้ยินไหมบางทีก็ได้ยินไอสตรีมวอมันก้อนแงะก้อนแงะมานะนึกหิวขึ้นมาถ้ามันผ่านมาก็ซื้อแหละนะแต่แเขาไม่ต้องไปสนใจนะอันนี้ปฏิบัติทำเนไม่ใส่ใจเลยอยู่กับใจสบายๆไปนี่แหละมันยั่วยวนเรยกว่ามาน มามันเข้ามามันทําให้เราคิดเราไม่ป้องคิดอาบน้ําเสร็จปุ๊บตอนเย็นจะไปนั่งเป็นคู่คุยกันเยอะไหมถ้านั่งคุยกันในไอจีปฏิบัติมาทั้งวันมันจะเสียหายไปหมดเลยสติที่ฝึกมาน่ะอาบน้ําเสร็จปุ๊บออกมาก่อนเลยแล้วเดินจุกมเล่นเล่นขอกไครของมายู่ห่างๆยังไปสนใจใครเดินไปรอพาท่านพาเดินจุกมเสร็จปุ๊บก็เดินจุกมไปแล้วก็มารับน้นําพละแล้วปฏิบัติทําเลย เขาออกมาก่อนเขาเดินจุกลมอยู่กับใครของมันไม่ต้องไปสนใจใครจะไปนั่งคุยคุยกับคนนู้นคนนี้นะที่พาเดินจูงกลมไปเพราะเพราะว่าอยากให้คนที่ช้าๆมันไวหน่อยเพราะบางคนนี่เราสังเกต ด, ดูเดินจุกรมจะรอบแล้วค่อยวิ่งออกไาจะห้องน้ำบางทีนี่มันช้านะต้องปรับตัวให้มันไปไวขึ้นมันจะรู้จักว่าพุ่งนี้เขาจะเร็วอย่างนี้กูต้องรีบนะไม่ใช่จะรอเขาตีละคร่างอาบน้ําจนตีละคร่างแล้วค่อยมาไม่ใช่นะ คือปลอบตัวให้จิตมันตื่นตัวไงสร้างเหตุปัจจัยให้จิตมันตื่นตื่นทันเหตุการณ์ให้มันตื่นรอรับว่าเขาจะทําอะไรแต่ละวั น, นให้มันเร็วอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าจมอยู่อารมณ์อะไรสักอย่างไม่ใช่ไม่อยู่จมอยู่กับหลักการไม่อยู่กับเหตุกับผลไม่ให้จมอยู่กับข้อวัดปฏิบัติว่าเวลาท่านนี้เขาตีละครั้งเขาจะทํามานั้นอันนี้ที่นี่ไม่มีเวลาอันนี้ให้คุณตื่นตลอดเวลา อาจจะเร็วกว่านั้นอาจจะช้ากว่านั้นก็ได้แต่ให้คุณตื่นให้ทันเสมอช้าเร็วก็ตั้งใจทำนั่นแหละถ้าทำไม่ได้แ่ละไม่ทำตามนั้นแ่ะไม่ทำตั้กู็ระวังใจกูเองไม่ให้มันเป็นทุกข์กับสิ่งที่มันไม่ทันือให้มันปลอบอยู่เสมอจิตเนี่ยให้มันตื่นตระรวตลอดเวลาน่ะมันก็จะทำได้แล้วมองตาเห็นว่าคงจะเหนื่อยคงจะเมื่อยเนี่ย จะให้ไปนอนตอนนี้เลยนะใครไม่เห็นด้วยยกมือขึ้นอา้าวเห็นด้วยหมดวันพรุ่งนี้คงไม่ถามคงจะเห็นเพืยอหมดไหวนะไหวไม่ไปแล้วนอนเลยนะไหวไหมถ้าใครไม่ไม่นอนนะกลับไปแล้วก็เดินจงกลมประมาณสักอย่าให้เกินสามทุ่มครึ่ง หรือสามทุ่มประมาณนั้นนอนได้ตอนก็ไปตื่นทีสามครึ่งเขวตีละครั้งแล้วก็ลุกมาทำธุระเสร็จปุ๊บก็เข้ามาเลยก็มาเดินจุกงอยู่ข้างล่างนั่นแหละรอเดินข้างนอกที่สี่แล้วก็ทำทวัดสวดมนต์คืนนี้เราเก็บเบาเก็บอะไรพู้เนี่ยแต่ตอนเช้านี่เรามาช่วยกันจัดที่นั่งของใครของมัน เตรียมขวดน้ำเตะอะไรมาให้เรียบร้อยนะทบาบดจนกว่าจะถึงเวลากินข้าวต้มแล้ว น, ะนี่ลมะเอา้าเตรียมตัวนะนั่งกู้เข่าขึ้นสองทุ่มครึ้นวันนี้ให้ไปปร็น ม, มือขึ้นกลับ